ตรงมันแย บ, บไล่นะ่ะมันมีอยู่แล้วเนี่ยในสิกขาบทพมิรายก็มีอยู่แล้วบางท่านบอกว่าจะตัดรัดป่าออกอืโออตัดรัดป่าออกแล้วจะให้ประก่างกดก้าวมุ่งอยู่ที่ถนนหรือเอาผ้าไปขายด้วยเราก็พูดอย่างนี้แหละเอาผ้าเล็กๆมน่อยไปขายด้วยเราว่าอย่างนี้จะตัดรัดป่าออกแล้วเราจะไปขายผ้าว่าอย่างนั้นแหละแต่เราไม่ทําหรอกเราพูดประชดเฉย เาบอรา ม, มาศาสตรากตร็ตัะลูกปากแสดงธรรมาจักก็แสดงอยู่ในปา่าปรงอายุสังขานก็ปองอยู่ในปา่าตัศรูกกัตมนุพุทธคยาปรงอายุสังขารก็เวรวรสวนแม่ายเป็นที่อยู่แห่งกระแตของพระเจ้าพิพิษารถวายไกลจากบ้านยี่สิบห้าเส้นห้าร้อยขาธนู คาธนหนึ่งสี่สอบห้าร้อยคาธนูก็เป็นยี่สิห้าเส้นพอดีวัดป่าเต็มภูมิค่างพุทธค่างพุทธการเอ้าข้างพุทธการมีวัดบ้านอยู่ที่ไหนเอ้าทามาดูซ at ิเอ้าวัดนิโคทารามป่ามณีโคตป่ามณีโคตก็วัดป่าเอ้ากบินละพัดก็วัดป่าเอ้ากุฎาคารป่ามหาวันก็วัดป่าเอ้าเชตตะวันมหาวิหารที่อนาถาพิี่เกษตรฐีเนี่ยสร้างก็วัดป่าเอ้า บุพพารามที่นางวิสาขาสร้างก็วัดปา่าเอา้าเอ้าวัดบ้านมีที่ไหนข้าพุทธการเอา้ามาให้เราเถียงเราก็เถียงเนี่ยมาน <c oughs> ั่นเอ้านั่นยังกับบ้านงอกออกมาหากระมิ่นที่ บ้านนอกออกมาหาถ้าขึ้นเบ้องไปยังกันนะเดี๋ยวผู้ภาษานี่มีผู้เข้าใจไหมล่ะบอกผมเหอเข้าใจป<า>ะใครคนกรุงเทพแ ท, ท้ๆเกิดที่กรุงเทพไครัเขาออกไหมล่ะออก่ะออกนะโ อ, อเคเคยอยู่ภาคยานะรู้ใจดำ เคอยู่พระเจ้าหมอรับครับรู้แล้วจะสุดต้าวผ้าโรคมันจะเป็นเปโตเพ็เน่าในหมอฟังออกไหมฟังออกไหม รู้แล้วอยากแกล้งรู้แล้วอยากแกล้งร้องละเมิดเดี๋ยวจะเป็นเปรดนะรู้แล้วยัสตาวพาโรมันจะเป็นเปโตเพรดเน่าแน่หม้อคันคำคินตรีภาคอีสานเป็นคำจริงเพื่อจะแต่งเรื่องจริงให้เกลือนเพื่อให้พยาะในเชิงกราบเรื่องจริงหัว่าออกไปผ้าอ๊อก เล่นแต่ขอกทาร่าแน่คูหาเถือนทำตายเด็กหนาแน่น้องล้มพัดฟ้องยิงยองเงือกไข่จองลงว่างนาอัดดังเข่าทองตายทั้งพี่ทั้งนอง้องแล้วก็ไม่ลื้ออุ่นโลจักอะุอ่นโลจักเป็นขําบาลี่อันว่าหัวอกแข็งกูไม่นี่หน้าเหมือน จ, จะแตกจกทาร่าอ่น้ามนมหลาคัดเคง่งเต็มต็มเป็มทั้งสองหน้ามัดที่จมหาล <c oughs> ูกมวยจักว่ะฟังออกว่าไง <c oughs> ตอนที่เชื่อมาเอาลูกไปเออตอนที่เขืมาเอาลูกไปฟังออกอืม เออแม่ก็ขึ้นต้นเมือดแล้วแม่ก็ขืนตนแค่แล้วพ่อแม่ก็ขึ้นตนก้อแล้วค่อยแม่ก็ขึืนจมดอยแล้วรำขืนตนใหม่ตํำเรือหาก็ไปเห็นดวงตาข้ามผ้าแม่ก็ไว้นานัางไหายโกมขับวายพ่อแกนไตลี่ล่าหุงกวนตาเมื่อเศร้าพ่อเคลือเจ้ากับบปากดอกแม่จับขั้วแม่หน้าฟังออกไหม เออพ่อหาลูกอ่เดี๋ยวไนก็มองหาลูกไม่เห็นนนท์เป่าเป็นป่ากลางที่นี่พอนามัสซีเข้ามาหาพระองค์ตอนค่ำหาพระเวทท่านดอนตอนค่ำพระเวทท่านดอนก็หา หาเรื่องใส่ภรรยาเอกหน้าเขียวคำเขามาเฮื่อดูรัตชมีเดือนดาวดูลักดูลักดูยากแท้ดีๆไฟจักหูใจน้างมาที่กว่ายนยากห้อยว่านั่งเรียนหลากรัฐประการในปลาหิมพผ่านเลี้ยงหลาคือคนก่าเลี้ยงที่พญาทอพระเนจรใน่ปลาใหม่เขาไปแล้วก็กาวมายา้าขยับ กระทำขยับตาแล้วมือกวักฟาดยิ้มคิ้วฟาดเน่างั้นนา่งกระทำการสั้นใดไฟก็บอกไม่หูน่าเนียนสู้ไฟกรบอกไม่เห็นเป็นชั้นใดดูหลากพิษผักเบืองโบราณบัตถนี่จักเปรียบเชื่อมนั่งมาที่ก้อนเด้อราชศรีจากนี้จากดอยเพราะว่าดอยนั้นว่าไม่ทำคู่หาปไาจากนี้จากน้ำเพราะว่าน้ำนั้นว่าไม่ตมซิดสมจากนี้จากคู่เพราะว่าคู่นั่นหาสติปัญญาสอนตนวมาได้นกจากนี้จากต้นไม้เพราะว่าต้นไม้นั่นว่ไม่กิน ง, งาสาขาอันกวงน่ สร้างจักนี้จักเทือนเพราะว่าเทือนนั่นผมมีไม้บงร่ารงักนี้จักสาเพราะว่าสาผมมีดอกบวัวทุกยิ่งจักหนีจักผัวเพราะว่าผัวนั่นมมีสมบัติข้าวของอันกว้างสมบัดนี้จักมาใดแกนา่งแกนไทยมาที่ยทนอร์่ะหาเหลียงใส่เมียเนี่ยว่าปหาคำห้าข า, ากาาระต่ายมาเราไม่เห็นลูกไอ่มมเห็นลูกถามเลยหาเร่องใส่ส่างคเห้าข า, ากันต่ายข้าผู้อ่อนต่นนางบปเลยนี่คำนั่งเลสิว่าถือขอดคอนหมดเล นั่นหมูพ <of> <ici> ันพระองคเกราลงทุนป่านั่นะมูห้อวันลงป่านั่นเนาะจังไนมากสอนมูห้องครับหอยมือห้ามมูห้อเขาว่าอะไรไปลากกระถัวเนใ่้เพิ่นเนียเพิ่นคือเมตตาเ่าแทะเพิ่นบอกว่าให้เร็ยกเบว่าฟังปละเรียนจิตผายหมด เล่าซื้อเล็กเจ๊กซื้อดินเล่าซื้อเล็กก็ซื้อรถยนต์ด้วยไปขายหน้าซื้อเรีเกเรีเ้าจัดขายขายขายหน้าคิ้วหายเบิไผ่ิ่มาสอนดีปัดพระพุทธเจ้าฮ า, าวคสอนได้ตายเรากระาย่ามาเถิดฮาอสเงินบอสบอจารย์่อสงิเขาบไปนั่ตาย้วเกิดตายะเกิดมากก็ไม่เห็นไ่าไ้องมาหาสมุท ร, รอยโกดมาหาสมุทรฮาก็ บ, บ ไปไปทั้งอื่นฟังแนนแล้วฟังกบแนนแล้วไปสีเวทกามตร้างผนว่าผู้หนึ่งผนว่าคนห่อยเขาไปเมื่อสักเกตประศั่นเขาไปเมสกเกตประศั่นแล้วเข้าไปบงรถมารถง่าเขาจะมาในทิศท้งซีระั่นย่านมันเดียบประั่นเริ่มภาวนาพุทธทอสักขันตายามนั้นจะไปเกิดไฟคนห่อย ว, ว่าให้พระองค์เจา้า พระ อ, องค์บอกว่าเออมหมยมันเนืองมาทางทิศแต่วันออกแล้วอรัตนม่นตัตน ว, วนี้ง่ายน่ะแแปลล้อนบักมามันก็ลกทั้งนี้แหล่ัตนพระพุทธเจ้า่ฉันได้คือ ก, การจิตใจท่าพูดพระธรรมาาประสงค์เลสื่อมไปได้ก็บรรยงกาตายก็ไปสวปรรค์ไปเที่ยวรบเรปนว่างแบบนี้อเก่า <laughs> ดนในข้อมือตัวนีสวางก็สวางใจ่ง วัดสนาสูงตัวจังในมาบรรดาลถือพระพุทพระธรรมพระสงค์วัดสนาต้ําต่อยสินมาถือแล้วจะไปดึงแมงนักจะไปดึงแมงผูแมงเพิงไปกินมูดจะพูดคือแมงว่ามันก็บปลาใยนม่นบอกแล้ไปดึงแมงว่านมาหากินแก่สอนดอกไม้มันก็บปามาแม่นบอกห้องไายห้องมันที่ว่าอย่างไรสั่นโอ้แต่นุ่งเสียใหญ่ดีป่านนี้ว่วิตอกเสียใหญ่ไม่งังนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เอาเสียง่ายพกรังล่ะเราพูดพระธาตผสมอม้โมนี่มีแต่ของเฟินหมดเลยเนี่ยเขาอนไปมัดเขาว่าเขมามาว่าให้หลวงปู่คุยกันก็เห็นดีแท้วัดประสันเพมันกิเลสปรสันยเ<ว>ขม า, ม า, วาว่ามันหวัดเท่ากับกิเลสเสลว่าหว่าพระพุทธเจ้ากพรามันกิเลสเลวว่าเสลว่เขาว่าของนีว่วาได้แต่โลกาาเฮบราพระพุทธเจ้าหไดเลยว่้ปะฮะโนี่วิทยุเกเยวะ เม่อตัอบูชาเป็นเพศสาตายย่หันก็าแสดงจะจับก็เปนจริงแม่นในนี้่ะของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มัดเพื่นมาเป็นครูมายาดมายงเพื่อขาสูตรพนัพนธุภาะเพื่นเห็นว่ามันโมบ า, านวัจยงเพ่นเลยบามาญาดมายังเพืนขาสูานนสาาตรพันธุภาพเนี่ยคือนำไร่เนีเขา้มชิมหันนำไร่เพื่อนนันตัวสั่นมดจอยน์เขาจือคน ทุหน่อเนี้ยทำลายคนทำทาไมแทบจะของเขาวัสดียอดขึ้นมากมดตทางญาติกันจิตต่างหากอันนี้ก็คือกันทำไมแทบพระอริยเจ้าทาง้ายพระราหันทางร้ายพระพุทธเจ้าทางายพระพุทธิมเนี่ยมูอห้องก็ขึ้นน้อนละมาญาติกันอยู่นี่ชิว่างเนี่ยสันในใโลกศาสนเนี่เฮ้ยเข้าหรือว่าขึ้นมื่ตัวได้เข้าสมมติเป็นพระบุคลาธิษฐานแล้วกใดว่กดรีสักคนลกายว่าจจของข้าพเจ้าเนี่ สิทุ่นถวายเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรอมสมบัติเงาผ่านสมบัติที่ส ม, มุทรไทยพระพุทธพทัทธม์พระสมมาขี่รถเงารถเยียบย่ำทนไร้ไขายนมูกใส่ในตะกอนละก่ตะกอนละไาจ๋าสะกอนละใจของข้าพเจ้าทุกคนทุกแห่งทุกวิธีทางทุกมือไม่ประมาทเลยท่านที่สมุทรอ้าปากพร้อมเฮ้ยไอ้พ่กขี่ไดอื่นจินพร้อมหมดห้องขึ้นปนันได้ห้อมู้โตว่าคึ้ได้เสียเปียบแน่นบัยังเสียเปียบไรเจ้ายังว่าขึ้นมูโตมันจังมันจะขัดตัวให้ ถ้าไม่แเพ่นกบขีลนี่มันขีคเพ่นกับมาขี่เพ่นผีบ้าว่าเพื่นจะไปขี่ยังไงเขาของกุหคว่ำแบบไส่เ่าอกควยอดของเ่าผู้ยอนั้งพระพพระธรรมพระสงฆ์ย่างเต็มที่นผู้นั้นเขาจักบวเสื่อมในธรรมพระเจ้าบันดาลสันวสงสัยเข่าซื่อสบายสบายวะสงสัยวะสงสัยในคุณลาบพระุทธพระธรพระสงฆ์เลยเขาไหเฮ็ดหน่อยกรไรหน่อยเขาเฮ็ดหลายกระรหลย มาสงสัยว่าไปเรียบไซด์ทางอื่น mm hmm. กุ๊บแมนแล้ออกไปทิเวกกระตาำสร้างแพดินนะสงสัยอันตรายเงินโหดเขาเอาลูกระเบิดปรมาณูทาลายแตกแต่คิดใจถึงคุพยพระธารมาสงแล้วมันมีท่านผู้ใดจะมาทําลายแตกเลยรวงถึงขันธน์นุษย์สมบัติมีเท่าใดสวรรค์สมบัติมีเท่าใดพรหมสมบัติมีเท่าใดนิพพานสมบัติมีเท่าใด ข้าพเจ้าจะทูลถวายสกุลและกายวายใจเป็นมหาสมบัติอันนั้นทูลถวายบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไมมีประมาณและลได้ไม่เลี่ยด ก, ก็ดีผูกขาดจองขาดอยู่ทุกเมื่อตามเท่าขา้าศูนอนุภาสิเสษนภาปัจจุบันจิตปัจจุบันในธรรมอันใดที่รดพมันกับกอกม่ไเศษข้าพเจ้าจงดูตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรลถพ้ตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อมีประมาณเทินพูดกับโมกับพูดลายบัตรหาพระวนาั้นต่อหานออกมาเอาปัจจุบันหลุดมีพูดกับโมก็จังหวะโวหาร วัวหันกะหอนล่วงมืนตัวอัววัวหันกะหานลงเมืนตัววัหอนกะหานล่วงคือกันวัวหันก็วัหออนกานเดียวกันพูดร้ายมันก็ออกมาจากมโนภพพังเลยพูดน้อยมันก็ออกมาจากนี่ย่นลงมากก็ย่นลงมาหาเนี่ยเสือกเชนเดียรมันขึงไปเางาเหยียดในใจโลกธรรมโค้งมากกับมาไว้มันเดียวกันเดียวกันแล้วถากระทุกย่นลงมาหาเอกระทุกเห็นอนนี้จังคณะจิตนึงก็เห็นโลกรอบหนึ่งคือกันเห็นทุกคณะจิตนึงก็เห็นโลกรอบหนึง เห็นอนาตตาคณะคิดนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งขึอนกันคว่าสั่นมากเกิดสิ่ความสงสัยในโลกเตื่อนบอกบอกสั่นว่าเห็นความตายคณะคิดนึงก็เห็นโลกรอบหนึ่งพรโลกจะไปด้วยความตายเห็นดินคณะคิดนึงก็เห็นโลกรอบนึ่งพรโลกจะไปด้วยดินน้ำไฟล่มอันเดียวกัทั้แล้วเห็นมามันบดเทียงคณะคิดหนึ่งเห็นโลกรอบนึ่งพราโลกจไปด้วยขมมันบเทียงอยนลงมาในปัจจุบันฉันท์พอใไลรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิทยาเพียมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันปัจจุ จิตตเอาใจฟักฝ่ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิมังสามันติดต้องพิจารณาเหตุผลในปัจจุบันที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจจกนําบุคคลให้ถึงถึงที่ต้องประสงค์ซึ่งมวิสัยพระละคือทำเป็นกําลังหอย่างศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียงแบบมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและเลิกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรลกในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงอยู่ที่แห่งเดียวกันพระะ คือทําก็นกำลังขายอ่ะเป็นเชือกข่าเกลียวอยู่ที่ปัจจุบันนั่นแปดหมื่นสี่าันทำมาขันย่นลงมาในปัจจุบันในจตปัจจุบันทําเลยย่นลงมาย่นลงมาสังข์ข้หลงมาอะสังข์ข้อหัไม่สองข้อที่เราพูดอยู่เดียวนี่ก ร, ก, กระจายเดียวว่าอสังโ์หไม่สองข้อทีนี้สองข้อลงมาหายใจที่นี่นนเชื่อกเช่นเดียวเราจะถึงประยาวเหยียดล้วก็ไม่สงสยัยทั่วทั้งไตเราก็เราโค้งมาเราก็ไม่สงสยัยก็ปลาตัวเดียวนั่นแหะ ข้างหางเป็นอดีตข้างหัวเป็นอนาคตข้างกลางเป็นปัจจุบันนะอดีตคืออะไรคือกองน้ำลูกที่ล่วงไปแล้วอนาคตกองน้ารูกที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกองน้ำลูกที่กำลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือโลกที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือโลกที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือโลกที่กำลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือทำที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือทำที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือทำในกำลังเป็นอยู่มีความหมายเดียวกันนะแล้วพี่นาถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ความจองสัย เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เราเห็นทั่วทั้งใจโลกธาตุเลยนรกเห็นไหมมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เดียวกับเราเห็นมนุกและนรกเหมือนกันสวรรค์เราเห็นไหมพุทมโลกเราเห็นไหมพุทมโลกมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเกิดแก่แคบตาอีกแต่ว่าเราไม่เห็นพุทมโลกมันก็ไม่ถูกปัญญาจักสูญจักสูญคือปัญญาที่ไม่จักสูญสมัญตราจักสูญจักสูญรอบครอบถ้าอย่างนั้นไม่มีท่านผู้ใดจะสินความสงสัย พระบรมศาสดาตัดธารูอยู่ที่ไหนก็ตัดธารอยู่ตํำบลพุทธคยาถ้าเราจะพูดตามตามบุคคลอิษฐานถ้าเราจะพูดตามธรรมาอธิษฐานพระบรมศาสดาตัดธารูอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองจายปฏิบัติอยู่ที่ไหนปฏิบัติอยู่ที่เมืองจายรุดพ่นอยู่ที่ไหนยุดพ่นอยู่ที่เมืองจายนั่นถ้าเราจะพูดในรานด้น แบ่ปัญห์มัดเพื่อได้ยาผลทุกง่ายเพื่อได้ยาผลทุกง่ายให้พี่หน้าพร้อมร่มให้ใจเขาออกเป็นกาชักว่าลูเป็นตาชักว่าเห็นว่ามันสัตว์ว่ามันพวกคนพร้อมร่มล่มให้ใจเขาออกตายข้าหันไปเข่าสู่พนันธุพ่างเลยง่ายะง่ายเลยอ่ะเพราะมันทำลายอวิชชา ต, ตันหาอุปทานนี่ มูนกลัวว่าถาดสิิดักับแดกมันทรมานมันจะบวมืองันถัดิิแดดของการเนี่เป็นทุกข์แต่แมันสิบวหลงสิวันลครับห้องขันท้าเห็นชัดมันก็บวหลงหรอแม่บมันแห้งเพิ่มคขากเคลียรหลับนะว่าตาต้องสามช่ำนหรอบอกนั่นว่าโอ้ยยังจำว่าใดรับไปยังสิจำว่าใดมันแหงเคลียร์เหอมีผู้บักเสียนเท่าเนี่ขาวบวหลังสิโต้คนมีผู้บักเสียนเท่าขาบวหังสิโต้อนโอ้ยงอเม้างอเม้าสัมันตัวอะไรอะ อันนนกเียอล่อลมาเกินแกบตายองเด้อกบทุกกรกปานเนียกวสันยแล้วแนมันสีมันหมดแตกดับมันเพรฟังพราะบ่อยู่บาดมันแตกดับมันถูกมันสลงิอเ่ลงมันแหงสเจ็บตัวมันแหงสเ็่มันแห้งตืมเ็ดตัวเป็นาเศษด้มันแงตืมเ็ลาบแล้วสทแตกงอสีงอเปล่าเอ้าอันงอเว่าประทังหน้าไม่หาแล้วเอ้ยวันสัน เมื่อยหลายแลยเดี๋ยวนี้ช่องคาร์โลนาไปตักหน้ามาให้กินแน่มาเช็ดก้นให้แน่มาแชดดาบให้แน่มาเชดโตให้แน่ขีเตรีมตัเต็มตอยู่ท่นอันนี้มัสสำคัญนี่บา้อันบาทมันปากด้เนี่ยสาคัญปากว่าอะไรคือบอกพิชเิ่งก็บอกบอกว่าอะไรจมขีกจมเงี้ยวขาโยชนนี่ความสคัญเนางาัทพาวนาไว้ว่าสคัญมาแล้วข้นี่มันโดนเติมแล้วตองออมสองวันนึงบ่ พัอน์สมองเรื่องบวกเิมแเติเติมแเออไปอเนาะต้อูเมือมรา่ยากต้องใส่หรอกพัพัเพื่อปัญหาบรอกเพราพัฒนเพื่อละเพื่อยอนปัญหาไร้เลยอ๋อั่นว่ะเป็นยังมันกานดีนะพัฒน์นทุกเพราะมันเห็นโลกทั้งปวงเต็มไปด้วย ข้ามหมันว่าเทียงมันกับปฏิวัติเพื่อผลทุกคนตัวเพราะมันเห็นโล ก, โกทุกดวงเต็มด้วยความทุกข์มันกับปฏิวัติเพื่อผลทุกคนกตัวไม่ยัง้งเไม่ยังเลยทำไมเข้าใจง่ายมันไม่ใช่ที่เกียรพูดแล้วจริงที่พ้คลองโลกคือความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปทัาน ปกครองโลถ้าไม่กลัวตวาบาปไม่ละอายต่อบาปแล้วกฎหมายก็ตั้งมาอยู่เอ้านะบอกถูกไหมถูกไหมตามนี้คนเราทําดีทําชั่วมันจบกกเกษียณไม่เป็นมันไม่เหมือนคดีดาคดีแดงในโรงในศาลเอ้าทาดีทาชั่วมันจบกกเกษียณไม่เป็นมันตามเรามามันตามเราไปเสมอเสมอลองฟัง เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงคณะกิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพอาโลกแต่ไม่เรื่องของไม่เที่ยงเห็นทุกคณะจิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบแล้วเพราะโลกแต่ไม่เรื่องของทุกในโลกนี้บรรจุแต่ทุกโลกภายในตาหูจมูกเล่นกาย ใจโรคภายในเออขึ้นแล้วก็แปรปวน แ, แต่สลาย <c oughs> สิ่งที่บรรจุอยู่ในโลกอดีตคืออะไรคือสิ่งที่ไม่เที่ยงล่วงไปแล้วอนาคตคือสิ่งที่ไม่เที่ยงยังไม่มาถึงปัจจุบันคือสิ่งที่ไม่เที่ยงกำลังเป็นอยู่คนเราชอบสุขสับทั้งหลายก็ชอบสุข ไม่ชอบทุกแต่จะได้รับสุขหรือไม่ได้รับไม่เป็นปัญหาแต่ชอบสุขสักตัวหนึ่งหนึ่งก็ชอบสุขเหมือนกันคนเรารักขีวิตขอตนมากกว่าอันอื่นใช่ไหมมูตัวโตโตมูตัวโตโตเรื่อยไหมเมียไม่ได้ดึงแขนออกหรอกวิ่งกอนเมียนะถูกไหม <c oughs> ถูกไหมเฮ้ยก่อนเมียแล้นี่เรียกว่าลักจนมากกว่าเมียนะถูกไหมคนฟัดกว่าเมียใช่ไหมเออนี่นี่ลูกใช่ไหมนี่ใช่ใช่ลูกแค่คนหน้านี่ลูกคนเดียวนี่ยพูดภาษาเป็นคือความอะไรแคเก่าคน คนไทยหรือคนยังคนเนหนคนไตัวไปพ่อก so ันยังใชกับคนตอนนี้ไม่ไถ่เลยได้โวนร้ายตีเลยว่ะตัวบุญว่าชนะตัวสามไกลชนะเพราะว่าตัวยุทธีบได้ผลนใสกับใจในร่างกายว่าเรียนนใสน้ำตาวยิ่งเคยห้ยยัดเจียวว่นหน้าบ่หายก่อนตียังตีเจียว ไม่เคยสีคือเกี kind of ่ยวกับหม่นะจะไปทะเลาะคอเนอร์เห็นดินน้ำไฟลมคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยดินน้ำไฟลมถูกไหมถูก ก็าคลง่ายมอยามันพูดได้ฟังนี่อายุสามสิบกว่าไงอายุสามสิบอายุสามหรอพ่อแม่เรายังอยู่บ่อันวิธีเลี้ยงพ่อ แ, แม่เขาเ จ, เเจเ้าเฮ็ดยังไงเฮ็ดคือข้าบ่เ้าจกินข้ากินไ่กินมันเปนก่อน้อะา้าเหนือายุสิบ้องสิบสามสิบปีออกออกแยกออกเพ่อเป็พ่อแม่เขาเลี้ยงกันเขาจะไว้ขอเขากิน โอเคเองข้าไปรางัละมันจะแฟขัวโลกของมันไครข้อเมีิท่กาไม่จะเปลี่เปี่ยของมันยุกยูกใกล้ขั้วโลกยุ่ใกล้ขั้วโลก น้ำแข็งใช่ไหมเคยไปว่โตัวเพลื่อนผับไปบ่อบ้านไหนไปน้ำเนอะเออน้าแข้งเพาะว่เปลี่ยนได้หลรอบฮ้ยเป็นเที่มาหมอกเเป็นเป็นหมอกเอาเอาอย่างนี้นะเอานะ เออหนึ่ง <c oughs> เป็นอันนี้กลางรอบหนึ่งแล้วเป็นอบอกหนแล้วก็เป็นทุกออกรอบหนึ่งด้วยก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนอีกด้วยตัวตนไม่มีมีแต่ดินน้ำไฟลม นี่ไม่สมปรารถนาเนี่ยไม่สมปรารถนาปรารถนามาให้แก่มันก็แก่ปรารถนามาให้เก็บมันก็เก็บปรารถนามาให้ตายมันก็ตายบอกอถูกไหมถูกได้ไดในโลกล้วนอันนี้จังได้ได้ในโลกล้วนทุกขงังได้ไดในโลกล้วนไม่ใช่ตัวตนเออบอก สิงที่เรามาแล้วก็คือทุกข์สิ่งที่กำลังเป็นเรามากำลังเป็นอยู่ก็คือทุกข์สิ่งที่จะผ่านผ่านตะข้างหน้าก็คือทุกข์เนาะเพราะปรากฏอยู่ในจิตในใจเข้าใจนะพิจารณาทุกข์เป็นอารมณ์พ่ออารมณ์ให้ใจเขาออกแล้วก็จะเบื่อหน่ายในทุกข์แล้วจะไม่ได้มาก่อทุกข์อีกคําพูดแต่ละอย่างละอย่าง มันก็ดับเป็นมันล่วงไปแล้วพูดเดี๋ยวนี้ก็ดับเดี๋ยวนี้พูดเดี๋ยวนี้ก็ดับไปนึกขึ้นมาก็เป็นอดีต ท, ที่ล่วงไปแล้วพอนึกมาก็พูดพูดออกมาก็เป็นอดีตไปแล้วเปน็นตามๆกันเหมือนลมพัดพัดไปพัดไปพัดไปนะเนาะถูกไห ม, มถูกสุขในโลกไม่มีมีแต่กองทุก แต่อาศัยความเคยกินเราก็ถือว่าเป็นสุขสุขในฆราวาสก็สุขในทางวัตถุนิยมวัตถุนิยมมันก็เกิดขึ้นหน้าแพร่พวนั่นแจกสลายเป็นเมื่อมันเกิดขึ้นแพร่พวนั่นแจกสลายเป็นเราก็ไม่สมประสงค์วัตถุนิยมวัตถุนิยมภายในก็คือร่างกายเรามันก็ไม่สมประสงค์อีกถูกไหมผูดง่าย พุทโธรู้ใจธรรมโมก็รู้ใจสามโคก็รู้ใจของตนพุทธธรรมสงฆ์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจพุทธอยู่นี่ธรรมก็อยู่นี่สงฆ์ก็อยู่นี่ระวังพระภูมิเป็นเจ้าตัวนี้เราอย่าให้มันมีโทษนย่ห้มันไปเบียดเบียนคนอื่นรักชีวิตของตนก็ต้องรักชีวิตของคนอื่นรักสิ่งของของตนก็ต้องรักสิ่งของของคนอื่น รักเมียตนก็ต้องรักเมียคนอื่นอย่าไปล่วงละเมิดเขาเออ <c oughs> มันไม่เอาสองเมียเื่นี่เรารักความจริงก็อย่าไปพูดปลดคนอื่น ถ้าเราไปพูดกดคนอื่นเขาก็มาพูดกดเราเองถ้าเราไม่อยากเป็นบ้าก็อย่าไปดื่มโุราดื่มโุราเป็นหน้าบ้านะใครไปกินก็เป็นบ้าบม เข้าใจแล้วบอกบอก้าหน้าบ้าน่ยใครไปกินเาเป็นบ้าเลยหลวงพ่อไปกินหลงพ่อก็เป็นบ้าหน้ามันไม่มีใครเป็นเจ้าโลกเราไม่แต่มีแต่ทุกข์กับตายเป็นเจ้าโลกรอกนรเมศกาก็ไม่ได้เป็น สิบเอนอร์ละเบนก็มนันจะเป็นไทยก็มนันจะเป็นจีนก็มนันจะเป็นรัเสเซียก็มนันจะเป็นมีแต่ทุกข์กับตายเนี่ยเจ้าโลกอะถูกไหมใ <laughs> ทุกข์กับตายนะ ตองมาองมาตองมาตองมาตองมาตองมาองมานันที่กาป่านที่กาป่าทีนี่ต่อไปนี้ก็ขอขอให้พี่น้องทั้งหลายเป็นสุขทุกตอนหน้าแล้วก็เลิกกันเ็นขอให้พี่น้องทั้งหลายสป็นรุ์ อยู่ okay. ตรงกลางแล้วก็กลัวหลับภาวนาพุทโธสมมุติพุทโธนั่งอยู่บนหัวเนี่ยสมเวลานอนเรานอนอยู่เรากลัวเราก็นึกถึงพุทโธมาไต่เดินจงกรมอย่านี้ถ้าเรานอนนอนภาวนาพุทโธถ้าเรานั่งสมมติพุทโธว่านั่งอยู่บนหัวของเราเนี่ยมันก็หายกลัวท่านนะสมมติเระพุทธพระธรรมมาสองนั่งอยู่ท่านพยุงตัวอยู่อย่างนี้มาให้ปิดเราก็ได้เราสมมติอย่างนั่นมันจะหายท่าน มันโวแวนมันแน่นไปก็มีความรกมนมีคานั่งข้างหลังเลยอเราก็นึกกลั <c oughs> วใช่ไหมค่ะพ่อท่านก็สอรก็มไม่ต้องกลัวดูตัวเองดูข้างในก็พยายามดูข้างในมันก็ดูไม่ได้กอยู่กรรมกรรมกรรมฐานเดิมลมให้ใจเขาออกหร <c oughs> ือค่ะโทฮุดโทพ่ อ, อเราลมให้ใจเขาออก <c oughs> เออเขาต้องอยู่กับว่านั่งถ้าเราเพ่งออกนอกมันก็เป็นว่าเชือกขาด ราาจะเข้ า, ากระทบเทาดาราคาจะออกกระทบปลายจมูกมาหรืออย่างนั้นก็เอาไว้กับปลายจมูกเนี่ยมันแบวกอากาศก็อย่าตามมันหรอกมันเข้ามาก็อย่าตามมันมันแบวกอากาศออกก็อย่าตามจ้องดูที่ลมมากระทบ กระทบสั้นกระทบยาวไม่อยู่ที่แห่งเดียวลงกระทบดังจมูกพูดโทรอยู่ที่นี่อย่าพูดโทรไปทางอื่นพูดก็อยู่ที่นี่โทรก็ตั้งไว้อื่เวลาเรานั่งเวลาเรานอนก็เหมือนกันเวลาเราเดินอเดินเอาไว้กับขาเก้า พุทธขาขว า, ขาวพุทธขาซ้ายพุทโธแม่พามาเกิดแม่พามาแก่แ ม, ม, ม่พามาเกา็บแม่พามาตายพุทโธแม่พ า, ม า, ม, พามาโรคแ ม, ม่พามาโกรธแม่พามาหลงธรรมโมสังโฆสมนั้นกันเอาพุทโธมารวมมาที่นี่ธรรโ ม, มก็รวมมาที่นี่สังโฆก็รวมมาที่นี่แบกมืออันทีามาทำมาขันก็รวมมาที่นี่ทานศีลภาวนาเอามารวมมาที่นี่เลย นิฮาบาัลซอนก็ ม, มารวมมาที่นี่เขากันใจี่จอก็มารวมมาที่นี่ไงรวมมาที่นี่หมดบุญมีเท่าไรรวมมาที่นี่หมดนักฝ น, น, นมีเท่าไรนักฟันนักฟานมีเท่าไรเอามารวมมาที่ในสติในปัญญาที่รู้อยู่นี่ไม่อยากไปสงสารทั่ทางอื่นจะมีลิมิตมาหลอกก็ตามอย่าลืมอาจารย์เดิมที่เราตั้งไว้ มิน้นทกลัวก็ตามม่้นทเสืยวมิ้นท์สิงมิ้นท์เทวเทลดาก็ตามเห็นหนะ้ารกสวรคก็ตามไม่ต้องไปด้วยอยู่ก็ประจารย์เดิมถ้าไปด้วยก็เป็นเราเจ้าขาดก่อนเรามีลมหายใจกาออกอยู่ไม่ได้ซื้อท่านโพได้ยืมลมหายใจมาภาวนาเว้ยเดี๋ยวจะไปส่งหรอกยืมพูดโธมาด้วยแล้วเข้ามาในยู เห็ไม่ไหวจะไม่ต้องการเท่านั้นมันมีอยู่ทำไมจะไม่เห็นก็าไม่ไหวจะไม่ต้องการเท่านั้นเห็นอยู่เลยพูดอยู่ก็เห็นอยู่ต้องการเห็นไม่ไหวจะไม่ต้องการความตายก็มีโยทะลมหายใจเข้าออกพุทธธรรมสงฆ์ก็มีโยทะลมหายใจเข้าออกมรรคผลในฟานก็มีโยทะลมหายใจเข้าออกเขาก็จับอยู่ที่แห่งเดียว ไปเดีุ๋กๆเลยเอาไม่ได้บ่มาทุกคนเอาหรือหมาทุกคนหอเป่าไม่าใไ่ฮะอากผู้ค่โอเออมาจากผ้คนเนดีวกเดี๋ยว อนอ่านียวเอร่ก็รับสามาใหาัหัวนานี้นัเีันก็อเดียวเลยฮะหลังคือรเอหลวงตามาหลวงเจ้กันเห็นชาี่นางบอกสองคี้ยังอย่ี้ยเห็นบ่เราเห็นแตนยาหรอกเห็นถ้าบุนสินาตหาเราซักบาทหาเราซักเาตายแล้วสิมันต้อเป็นท่นเนาะมันสัญญามันจาได้ครับ มันักมันตกันแล้วขได้ปรากฏจเห็นาเบอเห็นนางัวเขาานไปกา่างเห็นชันไรเออเ็นยังเย็นเยลอเ็นก็รับจาลเ้าเ็นก็รูเากว่าเหไถ่ยตอยดกูเาี่ใหเ็นทาสนเ็นคนเย็นยังเ่ยงะมานคนอื่นยังม่เคยเ็นัดตนเที่ยงเยะ้าวทั้งหทาหาต่างบาทหา อก็ไม่ได้พิจารณที่ถ้ากุสลพนหาว่ามฉันแผ่เมตตาฮะกุ้นบนไั่ที่ถ้าทำแล้วก็ดีหรือว่าก็ดีหรือถ้ามาแต่พกรสากกก็ดีท้าไปานาก็ดีอุทิศให้เสมอว่าหันะผูกขาดจองาดเลยให้บุญผู้อื่นบุญโตบตัแห้งได้มาให้มัดแห้งได้มากเ็ดขาเฮ็ดเขาเม่หาพักเส็หนึ่งอุทิศให้ต่อไตโกคถัดก็บ่ได้บัดกับมหาเฮาบัดข้าจอดก็ได้เฮาก็ได้ พานอนพันมาบุญตัวมี่หน่อยเดียวนึงจะไปอุทิศไทยเพิ่นมันกับวท่า น, นแล้ ว, วลสันมันถืว่าใหญ่แล้วนแห่งใหญ่มหาลัยสันพันมาพระพุทธเจ้าเข้าก็เมื่อยเมืยได้บ้านไหนเข้าจะเข้าไปพักได้ตู้นี้ว่าไวหมนี่เออ เอาไว้ก่อนก่อนก็จะก่อนตการก็เข้าวัดซุ่มมา่มะกันเ้าัดไปกันก่อนมันก็คุกคมมั้งเอาแตเสียสูอาซมก็ทัองกันไ็ได้ย อันนี้ก็มาใจวุนเหมือนกัครับประมาณว่าใดเฮ็ดเพี้ยงตีเนี่ยต้องหายกืนเพี้งตาเฮ็ดต้งตายสูกเพี้ยงาเฮ็ดต้องฝ่ายฝ่าวโชว์คันยภาพเนี่ยนทุกนวตาทุกฟานก็อประสงค์ของตนทุกด่านทุกมุมทุกเมือผมมีประมาณพอขาเธอเอาะทุกฝนฝ่ายละครับแจ้งสมุดอยายพัดกันครับเดี๋ยวีเก้าห้าวมันมาเป็นรอบครับเดี๋ว่อตามปัจจตบาแทงห้องใกล้ตายก็ไปไกลนี่ เจ้าข้าวขอให้พ่ออ้อนสวัสดีต่อไปพ่อได้สร้างน้ำท่านบุญเราสั่นว่าสวัสดีปีใหม่นะแต่ว่าใครจะตายกว่าพี่รายนี่เจาหายพ่กันทราทํารรมญาปัสนาพุทธนะพ่อห น, น, นุยอนุวัตโนสุขังพลังกันบุนท่านอะไรว่าหอดปีนี่เขาก็ได้สร้างน้าท่านบุญสันอศสวัสดีปีใหม่สนันนศ อะไรบอกาสั่อ่านักเื้อผู้ช็อสองมาหายไวู้้ท็อปสองมาหายมั้งเดียวอ่านหรอว่างวันรุ่งวัน้ต้องปูก้อเตียวตองรอีาจารย์ถมเี่กายตคงกิริยตักันปัเหาปรินี้จากทัใจเดี๋ยจะสบายก็เลยทิ้งเขาไปโอ๊ย ไม่อเนี้อันเมื่อนี่หลวงปู่เดียโตบ่ละกมังกรหลูงร้านเนี่ยเลยเมื่อเนี้ยเม่อยาก้ยเม่อนยโคนเกิดมากมัก็ไปคนลาเท่ยไผ่สิ่งนี้จะพค่นตายไปเลยไผ่มาทำไรเขากไปทํอะไรขึ้นใบไม้เนี่ยฮะนางใบพระธนเหลืองมันโรนกอนคื้บักไม้บักไรขึ้กันะนางนวยมันกับ่ระธาตุเนียแกมันกร่กอนมันของไผ่ของมันกรไปขึ้นกนพูดไรไม่อุปสรรคไรอุปธรหน้าพระจายจร่าหรอน้าพระายจร่าละเหมือนึง ขึ้นหนึ่งมืน่นนึงกับขึ้นหนึ่งผัวก็ตายลูกสองคนก็นตายผัวก็ตายแม่ก็ตายพ่อก็ตายพี่สะพี่ไส้พี่สาวน้องไ ส, ส, ส้นอ้องสาวตายพระสารคตครับขึ้นเดียวตายหลายคน น, น, ยาานั่นนั่ระชายาลาไม่ได้ตายหงส์เท่านั้นเราก็ได้เป็นบาดเสียจริตพิษมนุษย์เราก็ได้แกบหินแก่เสือแก่ผา ไปไปพ่อพระองค์เจ้พระองค์เจาว่าบ้านนั่งเง้อท่าตัวใครตัวพี่น้าไม่สติแล้วท่านแล้วเรนนางลงนางลงอา่องไส้คนนึงก็เลยเอาพาให้น้องน้าก็เเร่ารให้ฟังว่าลูกตายท่านเมียตายผัวตายทีตายหงส์น่ขึ้นเดี๋ยวพระสารททับก็ไม่งูกัดก็ไม่ต้องนาตายก็ไม่ร้อก้หนาบตายคนห น, นึ่งเอาไปกินตัวหนึ่ง้น หน้าป่าตากราเนีเยวาย่อเนี่ยเข้าวบป่าหน้าปาตายการ่าเราไถ่ข่ายนั <l> ่งตาป่าตายการ่ามือเดียวแล้วเขาเลยเสียเศษเสียคิดเสียใจแล้วเขเลยบันดานี่ไปบวชนน่าพิชซุนี่ก็เลยเสวยพระลานพวกตายนี่บ่ไม่เียงถอยหลีกพนะนลักกายเช่ตรงท่านนนะว่ามุขคนมาไทยถอนใด้วนว่มส่ยเวทงด้วยดวยซัพเ์มันข่มตมาถึงแล้ว โอัามละว่างนั่งโซเอไ่ไปสูได้ว่าสีมาในวันพุ่งนี้นะครับคือพวกตบเครื่องเวียนพีนั่งล่ะคนบอกเพื่อนพวกหุจักมันจิตายบอกเพื่อนไปึ้นให้ยังมาสั่นในนี้เขาจะตัวเออเพื่อนพจักมันตายบอกมันจะเพื่อนไปคืนให้ยังมาั่นถากรรมฐานดท่ั่นโอ้โหแต่หแม่เมืนะว่าสั่นบอกว่าโจร้วแก่แก้แก้เพื่อนกระถามเพ่นถามมันบอกเพื่อนถามบหุจักเพื่อนหุจักเพื่อน อยากถามบัง โ, โตโตสิตอบจะไหนซื้ๆอๆเี๋ยวนีู้้คนถาม่ะเหมือนคนบังจักผู้คนถามกระสูงกระโตพม่มีความหลูกกระโตผพ้คนถามนะหมอเนี่ยมันสิตอบข้อยังไงสิว่าสละคือโอ้ยสักกายเช่ตรงนั้นเนี่นะว่าความตายมาถึงแล้วไม่เ่อได้ใช้สอนเลยรวยเวียดนวดรวยซับเ น, น้นี่ขอนึงมาสันน่นะพระพุทธเจ้าก็บอก ว, ว่าให้พี่จะน่าความตายมือไรลอยขังเนีย่างบะยงประมาทด้วย ทุลามหายใจเข้าออจังพปกสมาธวเราสัง่งเราควจเจานี่อันนึง่งนี่อันนึ่งเอกคนเท่าเกิดมาในโลกก็ต้องตายในโลกนี้วรสั่นเมื่อตายในโล ก, กตายในสายวะั่นก็เกิดมาในโลกนี้วะสั่นถ้าเกิดไปสนใจนี้ก็ผู้ตายแล้วอันเท่าบวลาเท่าตายไปเกิไสนใจวะสั่นเทาก็บตายค ก, กันตัววาสั่นอันนี้อุบายอันนึงนี่วะั่น อาบายเพื่อหาเขาบกคือหอนไ่มาสั่นบอมันแมนไน่ะเาบอกจกว่าสิตายบเขามาเกิดที่ยังอันนี้น่ะมันมันมันแมนวดาจิปเเพ่นไปขึ้นเครื่องบินทียังมาสั่นมือเขาอั้สั่เาจัวิตายบเขามาเกิดที่ยังมาสั่นีตค้มเก่านว่าั่นเนี่เพื่้จักวติตายจไปขึ้นเครื่องบินที่ยัง่ะ ที่บอกอยังสั่นว่าถัมเสียมกามาเกิดที่ยังสัน right oh, <c oughs> ่นแอนี่แงนั้นร้ายนนั้นเ้าพั่โอ้เมียน้องเจีบก <c oughs> ันอนี่มูด้ดโถเลยนับกมาแล้นเท่าดพ่อตายอยู่ในกมือแม่ก็ตายอยู่ในกมือลูกเียตายอยู่ในกำมือพี่น้องพี่ไอพี่ายพี่ส า, าวโอ้ยสารพัดลูกล้านเลี้หล่อนแฮงเกิดโดนแห้งเห็นตายหลายอือ ก่อนเกิดก็อยังนี่ก่อนเกิดก็อยู่นี่ก่อนตายกยู่นี่ไป่อ้นไหนาสั่นะก่อนเกิดยังบนไหก่อนตายใอยู่วางก่อนเกิดยังนี่กตอนก่อนก่อนนี่เ็ก่อนตายวะแล้วพูดที่เจ้าพ้นาไปนั่งบนไหนก็เห็นเจ้าลุงก่อนฟอนจากฟองมาสั่งก็แม่หลวงเขาก่อนเกิดก่อนตายไปน้ำเด้อไปบันไหนเเห็นงเจ้าก่อนตายก่อนเกิดเห็นแลเห็นก่อนเกิดกเห็นก่อนตายที่สั่เห็นก่อนแก่ก่อนเย็บก่อนตายที่สั่เกิดตบตายไม่ก็มาท สดัผมเห็นวัดนะเพราะพระเจ้าในเกิดในตาใจัวะพมาเกิดในวัฏสงสารนี่จัะยินดีเขาสูภพในพานมสกางแบบนี้เนีก็เกิดควทุกข์วแก่าทุกข์ความเจบคปทุกข์ความตายคาทุกข์ใเมื่อห้ามเห็นก็เกิดแก่เจ็บตายาก็ต้องมังโลกได้ที่ไหนโลกอันนี้โลกอนาคตเขไม่จะเกิดแก่เจ็บตายเห็นโลกหลบโลกวัดเนี่ยบอานว่าห้ากรเบืองในไขมอวในวัฏสงสารห้ากิใจห้าสนิวตะภายในพานนี่ย อุปสรรคปัญญาวิเศษเป็นเหตุให้เบื่อไน้า ย, ายโรกได้ อ, อกสันว่าขัานั้นม่มีอุปสรรคอันนั้นพูได้ก็จะพ่อใจมัดมั น, นกน็ไม่ได้โรกอันนี้แต่มันมีอุปสรรคของสันน่ก็มันสเป็นเหตุว่าหไป น, น, น, น, นอ้อนใจในวาระสงสาเข้าขึ้กันเมื่อนยใกล้ตายก็มาว่าเนี่ยใกล้ตายก็โมเศร้าอ่งส่งเน่เขาโเข้าใกล้ตายก็วัางขึ้นว่าไปขึ้นกันเมื่อตอนยบเข่ายับเขาน่ายโคบานตอนนู่เขาขอกตอนไหนเสื้อย่ามตะเล่อน ชวนควตายก่างซักเขาขอขอตายเนี่ยโมบิกะเวนขึ้นโมบวันที่วันเสาร์วัจุกเกียอสันนอวันขึ้นนี่มันกินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเี่ยโมยมจักเสือนี่ยมอสันอรุณกินวันจะพายท่อได้กินแบบบกขี่จักขี่ไซบุกกินแบบบเห็นตัวทำให้กินเนี่ยชีวิตวันขึ้นเนี่กินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเขนลองนะร่วงไปร่วงไปล่วงไป ควาตายนี่มันไม่เทียงถอยหลีกนะฮอานนอานน์คือพิจารณาความตายมึงกั้งแต่เจอมึงแล้วลอยอสโอ้ยมันต่อมาอานนทนยทุกลมห้ยแตเขาออกคนนนว่าจ้งได้บุนรายนะฮะนี่เข้าความพิจาราความตายคนยันมันขี่สนามเพราะว่ามันเป็ดโศกใส้บดีเพราะว่ามันไม่ใช่ผู้ที่จะพ้นมาแห้งได้บุนรายนะฮะมันเสียบได้นอนใจในวาตาท้องสารพันมาครับเดี๋ยวนี้หลวงปู่มันเกี่ยมตัวตายเลยเดียวนี้มีหน้าที่เกียมตัวตายแล้วปรบทิยบห ขอสันว่าเนี่ยเอื่อนไม่ได <c music> ้เตรียมตัวเตรียมตัวตายเยอะเสมอเนี่ยวิตเ์มืออไรจังว้วิทย์ชีวิตของมนุษย์ชีวิตของนักปู่เนี่ยเหลือวิหน้าที่เดียวสั่นอ่ะเราทำเป็นอดีตนาคตนับเป็นว่าวิทย์หน้าที่เดียวเป็นวิทชีวิตของเราเหลือเรานั้นเป็นอดีตนาคตัว่ามีชีวิตชีวสารวิทย์หน้าที่เดียวเสมอเนี่เหลือเรานั้นเป็นอดีตนาคตบหองสันว่าเราม่ให้ใจเขา บ่ออกก็บอกว่าตายแล้วให้จะออกว่เขาเขาบอกว่าตายอย่างนี่เจ้าซีเวอย่นี้ผู้ดังพิพัฒาอย่านี้ตายก็ตายนี่หละเกิดก็เกิดนี่แหะกย่างหันใจเขาออก็แสยกว่าเกิดกัรตายก็ตายนี่แะว่าเจ้าีเวดเขเ้าเขาสวลเราให้เขาช่างนี้เจ้าสิปจอนเดินเดี๋ยวาันโมเมนต้นี่ขันเศ้าเดินจะไม่ท่าไปอะไร ปัญหาเผียร์มันจะเกิดมากนี่มันสื่เพีย้ยวันเหรอแอบเ น, นียมันนับต่างร้านคนเดียวสักโงนึงเดินหน้าที่นึงก็ต้องเดินหกิหกกกวินาที่เนี่อนั่นคงสได้กับวนาทีคือยาดีูกปูอกมไปไกลไก่กครับบอไ่ได้ไปไกลไ่ได้ไปไกลอกานันไ่ได้ับม้นไปนม้วนไปไกรอกพอไปเช้พะแห้งครับ่จังนีม้นไปกันกับ เกี่ยวไว้น้ำบากโอ้วนหรอวไปวนไปวนไปโไเนี่ยโรใส่เลื่อนเอ๋ยแล้วก็โรคท้องลำดีเป็นนิวเอ๋ยแล้วก็โรคหัวใจเอ๋ยโรคท้องผูกเอ๋ยโรคแพ้อากาศเอ๋ยแล้วก็โรคลูกมากโตเอ๋ยปัสสาวะหยาบออกขดยิ่ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งปัสสาวะสมาทานประพาประจัดโรคไส้นัดเอ๋ ย, ยนอนย่ำเคล้นมักตัน ตันดังเ่ะเดี๋ยว อ, ไอดมเรืร่อยู่นี่นี่รถตัดไรต้องไูยัง่าไปโรงพยาบาล น, นดีไปยุไปยโรงพยาบาลชีนักเครองไปยุชีนครนของแกนไปยงชีนครื่ของแกนมารักษาให่างเดียเด๋ยว น, นจะมาเ่าขอบคุณหมอวราทีา่เราจวะนี่ตื่ อ, อยู่ครับขอบใจเห็นล้นวเลยครับหมอเดใช่ไหม เพระเวลาติดันหาทึบมากมีส่วนกับผ่าในยิ่งกิ่จะต้องลงปูจุดจุดตะท่าเรื่องใสแนงระดับสูงตัวนี้่วนลูก่วนหลานก็เท่าเนี่ยมันจะมีหัวใจเป็นเหมือนกับไม่แกนโย่ต้องเป็นกาบลายลงปูต้บารมี่ต้นอัลอด ว่าอารุภาพมาเสริมแก่นใจเขานี่ให้มันมั่นคงขึ้นบอกมีความศรัทธาเรื่องไรยางลึกซึ้งคิดอยู่ทุกขณะยิตทุกมือทุกรอมหายใจก็บม่ได้ไม่ได้ไย่ไป้หน้ารูปปูนี่กับเราไปคึอ้อยู่กันินฐานรูปปูนขุดคล่อมลูกล้านแค่ อ, ร, ร, อ, อรุภาเป็นกว้างไกลครับตกของผมกว่าพ่อ ดับในทางมโนธรรมในทางหลวงจิตยอยู่ศักยภาพของหลงปูที่ส่างมาในเวลาอันยาวนานที่ศักยภาพสูงพิศธรรมดาแต่ให้พวกลูกรุ ก, ร ก, รกรรให้โลกข้างโลกเขาบ้ า, านเนได้รับกุณลุลได้รับอรรุภาพบรารเนีนะผมขอขอบพระพุทธเจ้สูง ทากนเกล่าวลายรูกภูบอธิบายรับเครองชีวิตให่ปัแง้วาเข้ากับช่องประมาทตอความกายนี่ทุกข์กันะยิทุกขเนรีบงเข้าหางีบเร่งข้าบุญเปลี่ยนท่าตามที่กําล่างเข้าหมายถึง่างคนเขาทำประสงค์อยส่งเนเรื่องใดเรื่องใดประเดเขาบอกการถวายเทต่อเขาทำประสงค์โดยส่งอะไรเรื่องใดเรื่องใดเราะโคคาดจองขาด เพราะเป็นขาดเ็นธาตุพทธพระามาสองมงเลือดทุกรสถี่เ้าพระพุทธพระาตสองโกงลกกายสกนระวิจารสกปกน่าใจสีทุนทลายห้เป็นรมมดรมดพระพุทธพระมาสงไีรถเรสหยบย่ำชนไ่้ไข้หมกใ่ทุกอินทิชทางทุกมามีประมานะไอธิษฐานอัโลกเลยแสที่มาเบียดเบียนลูกคูจะผิวพันธ์อาตาของลกรูทุกทิ้งทุกอย่างสบูรณูรที่สุด คนบ่เป็นังก็ยังบ่มี่ความยิ่งเอพบ่อที่เหลือที่ฝาดเราลูกคู่ใครไปเห็นก็ยกย่องบ่อไอ้ชานให้ลูกคู่เลยคำบ้านคำเพื่อนคำลูกคำรลานอย่ตัวทใ่ล่างก่อนส่วผมมากไอ้ลูกคู่บอเคสบายมารงบวนเวลาพ่อสงควนจะถีโอกาสในกาบ้าลูกคู่เออด้วยแถ้าพูดพระธ่รมพระสงฆเาองมาค้นคาฮาบ้ะววาไม่ได้ ขอให้พี่น้องทราบขุดเท่าที่มากนี่พอดีที่ว่าในีมากพอดีทัวทั้งใจโลกธาตุจงผสมเต้าวามสุขวามเจริญแน่บอกว่าและพุทธศาสตร์ชนะเพราะาสมัยพะพุทธเจ้าเขาหาอยู่ทรงเงาบมมีความมายยิ่งยิขึ้นไปก็ะทังที่ทุกทุกโดยสอบทุกตนาแน่ก็ขาดเธอหนาวเเอาจิตสอบดมาเว้ดมาดำมามัดสีรถยาวรถแนสมรักาว่าขาใจทุกทุี่างตรงเงามีควมา อาเชียนวันดูอาปากแวะไอ้เขาเขาเขาทำผสมกันขี่ใส่สมุดเดินดีกว่มสิถเง้นถึงปากขื้อีกาเามืทางเสียเขาเหเขาวาพีบ่ามูดใช้เาพูดเขาสกันขี่ใส่สมุดเป็นเลูหมุดลูกปูดงพหถ้าขนละไก่ถ้าขนละใจถ้านว่ากาไอเพิ่นมาขี่รถเนี่ยรถเกียงยนไล่ข่าเสียงโง่ใจอะไร่นกับาอกแต่หามันพ่อใจ่ไหมังไง <ination noises> <goosebumps> <lavender anthropology> พึ่งก็บอกขี่าว่หรอพึ่งมันี่บอกว่าจะขี่ใช่ยังพึ่งจะขี่ใช่ยังหันหลังขาท้องย่อมสมมุติได้เราก็พ่อใจหันหลังได้ได้ได้ได้ได้เรอ เจ็ห <restricted> <Bien, S 1> ้โคดอไแมแถให้ไปสน่้เป็นนามากแ้นตีกุลา่งกลอกายสบายจิตอพคพระทรรมประสงค์ในสมแล้วกระเงพระคุณพมประสงค์จัดจ่อพระทึาสอื่นมามะมะผลถือจาพระพุทธารมประสงค์เลยผ้ามกับพระทึษมาเหลือดีงามดีกับพระทเสียขอด้านหํากับะอ๋ เอพราพระธาตุประสงค์ลงนั่งโดนมู จ, ะจะอยี่คือ น, นั่โงโดแล้วจะเศ ร, ร<อ>้าไปสวนม่อนเอาไปร่งองโบสถ์คือว่ากอกแก่คุณจะเศร้าคนหรอต้นนี้กันนี้ก็ปเป็น <c oughs> ปุณณ์เกียรตนาเกรตินัเห็นด้วยเดี๋ยวคุณพระคุณพระธาตสงค์อันทงพระคุณคาหาประมาณมาไม่ได้จ้าบนดนด่านให้มู่ห้างช่างหลายพ้นจากสัพพทุกสัพโสทโรสเวสไพสัอันก็ไล่ได้ทั้งส้น อู่ทุกวันผมมีประมาตามต่เ่าข่นนี้คว้านคนจากทุกดนวตาท้องสารตามข้อมาสองของตนทุกตนอยู่ทุกวานผมีประมาณกว่าการเธอเราเอ่สหราเรอนั้นเจ๊งะเอาัยมา่ไมเอาไว้ล้วเห โอานน้ำหนังสืออะเนาะ่า่้องบอกะไราบอาษานหมานชำนาันโอบ้านกาท่านึงอายมนนกเขนล้คู่แบบว่าตั้งใจจันออกมไได้่ดนคจะตงซื้อขนาดเป็นล้คู่หลาเพรคนมหัวได้ค่ะโนได้ดดหนังสือหนังสือะไนังือหนังสือบรรนมวะ เราแบงค์เถเรูเราเล่นนังื้อทําก้งถังหัวเานนี้าื้อมานมควานเลยเ่นเหล่มกันเป็นกลมเลยเล่มเล่มปกเล่มโค้กเล่มเหลี่ยมมันพิมพ์ขนาดมันพิมพ์ครั้งที่หกมาไห้มาเล่นเลยมอเลยมาด้วยกนใหญ่ักค่าคอนสโาคสโมาแ่ได้มาแอร์ ก็ไปใช่บาทตไปประจําคันไปบัตรดูเพราะียงเอกะไปห้าขอนตักเตี้ยงไงใช่ใช่แล้วก็เรียนพราะมาโดนล้วครับบางซีหาเงินอะก็ไปบัตรตุทุบาร์บวกๆอัอผืประเยยอดชัดเป็นเงินสาบบารบกของเก่ามันมันชงโด้มากเอแค่ไหวเนาะแต่ไปเอานมันเป็นน้องรอย มาเห็ดแก่ใครเป็นอะไรเอาเลื่นไปถวายปนอะเราออกเอานเห็ดดูแล้วมันชกแข็งแรงแตนา้อต้นอ น, น, นอกไปคนเาไม่บอกกันว่าไปหาพวกผู้หลาให้ได้านะเท่ากะนรได้ก็ว่ไปแต่ไม่จเนี้เท่าขยุตินอุรขึ้นโตัวเนี่ยถนะ้าออกมาจากอุรนมาได้แก สามพันที่เเป่นเปี่ยจะออกมาเรจะาใช้อดสามษาิดผู้เก็ู้เกอนนีก็ดีนกแ่แยก็พอเพราะว่าเรื่ก็วุ้งซ้ไปยังไงอ่ะู้ดวันนี้ลูกตา้ไปแล้วี ไม่หลกไรเนี่ยมีเหรียวเล่หลอกหลอกสลาบกันว่จักรก็เอาไอ้ห <to> ินพระด้วหนังสือหน้าจะไหวตั้มหน้าคนบาปเนอะลมใสดไม่ลมวยเห็นใสเอ่อพรกันพระมาหน้าไปเนอะยีรถเนอะพากันเหนขาเทียงหรอเปล่าเห็นใส่หรอ กิน ด, ดูค<บ>ามเผ็ดใส่ควาัเผ็ดทานใหญ